กลับนมัสการท่านอาจารย์ไผ่สามหมูกลยันมิตรเจริญพรญาติโยมทั้งหลายแต่มาเพิ่งรู้จักนะชมลมกลยานธรรมไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้ชมลมที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบเคยเห็นเลยหายากนะคนที่จะสนใจธรรมะจริงๆส่วนใหญ่ก็แค่เข้าวัดตามธรรมเนียมตามพิธีกรรมที่จะสนใจ ฟังทำภาคปฏิบัติเนี่ยหายากเพงั้นพวกเราเป็นคนหายากจะหายากกว่านี้อีกก็คือคนที่ฟังแล้วลงมือทําจริงๆธรรมะเนี่ยถ้าฟังเล่นๆเล่ น, ลนๆมันก็มีความสุขดีแต่ว่าเรายังไม่ได้สาระแก่นสารที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนาถ้าเราอยากได้สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารจริงๆเราต้องหัดเจริญสติให้ได้ สติที่เจริญนี่ชื่อสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาสติปัฏฐานกับสติธรรมดามต่างกันสติธรรมดามไประลึกรู้อารมณ์นะระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งหลายอย่างเราตั้งใจมาฟังธทำมาถวายสังฆทานมาอะไรนี้จิตเป็นกุศลแต่ยังไม่ขึ้นถึงระดับที่จะเจริญสติปัฏฐานงั้นที่มาให้หลวงพ่อมา เทศวันนี้นะเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าพูดให้เต็มยศต้องบอกว่าการเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจําวันลําพังเจริญสติเฉยเฉยเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็เจริญกันได้แต่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันคือการที่เรามีสติรู้ลงมาในสิ่งที่เราเคยสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราคือกายกับใจนี่เองเมื่อกี้ได้ยินท่านอาจารย์ไทยสารท่านพูด หลวงพ่อมาตอนท้ายๆได้ยินท่านพูดถึงให้มีสติรู้กายรู้ใจทําสติปัฏฐานนั่นเองถ้าเราทําสติปัฏฐานได้นะวันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆไม่ใช่รู้ด้วยการเชื่อเชื่อเอาศรัทธาเอามีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะแต่เชื่ อ, อไว้ก่อนลงมือจเจริญสติปัฏฐานให้ดีจริงๆเถอะทาให้ถูกต้องจริงๆแล้วก็ทําให้สมควรแก่ทำไม่ใช่ทำหย่อมหย่อมแย่ กรรมฐานไม่ใช่เรื่องของคนอ่อนแอเหยาะแย่นะไม่ใช่ทําบ้างไม่ทําบ้างขี้เกียจขี้คลานหวังว่ามาฟังเทศทุกปีทุกปีแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรมันคนละเรื่องกันเลยไม่บรรลุหรอกถ้าไม่ลงมือเจริญสติปัฏฐานไม่ลงมือรู้กายรู้ใจทําไมต้องรู้กายรู้ใจทําไมต้องมาคอยรู้กายรู้ใจมาเจริญสติรู้กายรู้ใจเพราะพวกเรานี่มันมีความสําคัญผิดติดตัวมาตั้งแต่เกิด เรียกว่ามีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดผิดมีสัญญาวิปลาสมีการหมายรู้ผิดผิดหมายรู้ผิดผิดคิดผิดผิดหลงผิดผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราเห็นว่าตัวเรามีจริงๆเมื่อตัวเรามีจริงๆเนี่ยตัวเรามันก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีเจอสิ่งที่ไม่รักมีความไม่สมปรารถนา ถ้ามันมีเราสัอย่างเดียวนะมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากมีไม่สมปรารถนาต่างๆนานามีทุกข์นั่นเองถ้ามันไม่มีเราล่ะความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีคนเป็นทุกข์เนี่ยถ้าฝึกถึงช่วงหนึ่งเราจะเห็นเลยร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายแต่มันไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายเราจะเห็นเลยว่าจิตมันสมอยากบ้างจิตมันไม่สมอยากบ้างจิตมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้าง แต่ไม่ใช่เราสมอยากหรือเราไม่สมอยากไม่ใช่เราสุขหรือเราทุกข์กายมันทำงานนะจิตมันทำงานถ้าเมื่อไรฝึกไปเรื่อยจนเห็นว่ามีแต่สภาวะธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปร่างกายกรูปธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไม่มีเราไม่มีเราทุกข์นะใครจะทุกข์ก็เรื่องของใครสิไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไป ทำยังไงเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีเราได้ทํางไงเราจะถอดถอนการหมายรู้ผิดๆว่ามีตัวเราได้มันไม่ใช่การโปรโกแกรมจิตบางคนไปคิดว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญสติเนี่ยเป็นการโปรโกแกรมจิตสะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่าตัวเราไม่มีศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาสะกดจิตนะศาสนาที่สอนความจริงล้วนๆแล้วกล้าท้าให้พิสูจน์แล้วบอกวิธีพิสูจน์ให้ด้วย เนี่ยสงฆ์งดงามบริสุทธิ์หมดจดเลยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไม่ใช่สอนบอกว่าเชื่อเชื่อไปเถอะแล้ววันหนึ่งดีเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนะัละเอียดลอมากเลยงั้นถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะให้ดีนะัเราจะรู้ทําไมเราจเจริญสติทับเจริญสติเพื่ออะไรจะเจริญสติอย่างไรจเจริญสติแล้วได้อะไรตอบได้ทุกข้อเลยนะไม่ใช่จเจริญสติคืออะไรก็ไม่รู้ เห็นเขาเจริญก็เจริญตามเขาไปด้วยนะเห็นเขาพูดก็พูดตามเขาไปด้วยเจริญอย่างไรก็ไม่รูนะ้คอยแต่จ้องนะจ้องหายใจเข้าหายใจออกเอาจิตเขาไปจับอยู่ที่ลมนะดูท้องพองยุบก็จ้องอยู่ที่ท้องเดินจงกรมไปจ้องอยู่ที่เท้าอะไรเนะี่ยเราคิดว่านี่การเจริญสตินยังไม่พ อ, นะอยังไม่พอเจริญแล้วได้อะไรได้เห็นความจริงงั้นถ้า ใครเขาถามเรานะว่าเราปฏิบัติทำแล้วเราได้อะไรบ้างเราได้เห็นความจริงความจริงก็คือตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราความจริงที่ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราตอนนี้เราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธหลวงพ่อถามหน่อยเถอะพวกเราคนใดที่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆบ้างไหมรู้สึกไหมกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะ ไม่ใช่ทุกล้วนล้วนละพวกเราคนไหนเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนล้วนไหมไม่มีเลยนะเราเห็นว่าจิตนี่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าเรายังไม่รู้เราย่าไม่รู้ความจริงถ้าเห็นความจริงแนละ้วเราจะเห็นว่าขันห้าทั้งหมดเลยเป็นทุกข์ล้วนลวนถ้าเห็นเมื่อไหร่นะมันจะสลัดทิ้งเม่อ น, นั้นหนะ่อยขันห้ามีอยู่นะแต่ว่าจิตของผู้ปฏิบัตินี่จะเข้าไม่เข้าไปครอบครองมันอีกต่อไป แล้วก็เห็นขันห้ามันแก่มันเจ็บมันตายไปไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายเราถอนตัวเองเออกมานี่ทำยังไงวิธีปฏิบัติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดต่างๆเหล่านี้ขั้นแรกสุดเลยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าคือตัวเรานะก็คือกายกับใจไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะบีบวงลงมาที่การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไม่ใช่เรื่องอื่น เรียนรู้อะไรเรียนรู้ความจริงของกายของใจสิ่งที่เป็นความจริงของกายของใจคืออะไรคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานที่จะให้เกิดปัญญาหรือการเจริญอีกชื่อหนึ่งนะชื่อที่ตรงเลยคือการเจริญวิปัสนากรรมฐา น, ฐานทำไปเนี่ยเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเพื่อถอดถอนความเห็นผิดไม่รู้แจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ สโคบขอบเขตของการศึกษาธรรมะของการทำวิปัสสนาเนี่ยจึงเรียนรู้ลงที่กายกับใจไม่ไปเรียนที่อื่นหรอกอย่างบางคนเดินจงกรมเดินจงกรมนะเท้าไปเหยียบที่พื้นรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งหลวงพ่อถามไหนเราทำเพื่อประโยชน์อะไรเราต้องตอบได้นะว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรถ้าทำอะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเรียกว่าขาดสัมปชัญญะขาดปัญญา ทำไมเวลาเดินจงกรมเราไปดูพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งมีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราบ้างมีไหมไม่มีเลยนะใครรู้สึกไหมพื้นที่เรากำลังเหยียบอยู่นี่คือตัวเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นขอบเขตของการศึกษาธรรมะของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะขีดวงมาเรียนอยู่ที่กายที่ใจนี้เท่านั้นไม่ไปเรียนที่อื่นหอก มาเรียนที like. ่กายที่ใจเพื่ออะไรเพื่อบังคับกายบังคับใจให้มันมีแต่ความสุขเพื่อบังคับกายบังคับใจให้พ้นทุกข์อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่แต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ใจจะเบื่อจะเบื่อหน่ายกลายกำหนัดนะในที่สุดก็ปล่อยวางพระพุทธเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นกายเห็นใจนี้เป็นไตรลักษณ์เห็นอันใดอันหนึ่งก็พอไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างนะ ไม่ใจรักเรารู้อันเดียวก็พอแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอกพอเห็นแล้วนะ่าใจมันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกถ้ามันสลัดคืนกายคืนใจให้โลกคราวนี้กายมีอยู่นะ่าใจมีอยู่แต่ไม่ใช่ของเรานะกลายเป็นทุกข์นะจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา สรุปในช่วงแรกนะหลวงพ่อกําลังบอกว่าเราจเจริญสติเนี่ย น, นะขอบเขตของเราค่อยมารู้ที่กายที่ใจรู้กายรู้ใจไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์การที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แหละคือวิปัสสนากรรมฐานนีวิธีการทํำยังไงเราจะสามารถจเจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถเห็นความจริงของกายของใจเป็นไตรลักษณ์ได้ ถ้าเห็นแล้วมันวางนะลอยวางผลสุดท้ายก็ไม่ถูกละกลายเป็นทุกข์จิตใจทํางานไปแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นในจิตใจอีกมีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความเต็มยิ่มมีความเบิกบานคราวนี้มาพูดถึงวิธีการวิธีการที่เราจ ะ, จะเจริญวิปัสสนาท่านพระนนท่านเกิดสอนไว้ในพระสูตรอันหนึ่งนะชื่อยุคลรนัตสูตร ท่านพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยสมแนวทางแต่จริงๆท่านพูด4ี่นะแนวที่สนะี่ะมันเกิดจากหนึ่งสองสั้นจริงๆมีสวิธีการอันหนึ่งท่านบอกว่าบางคนนะใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบ ก, กันมีสแบบคำว่าจเจริญสติในชีวิตประจำวันคือหัวข้อที่บอกให้หลวงพ่อมาพูดวันนี้มันอยู่ในเรื่องไหน ตรงที่ใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยทำสมาธินะพอออกจากสมาธิแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่ส่วนหนึ่งนะบางท่านทำสมาธิก่อนพอออกจากสมาธิแล้วท่านมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวิธีที่หนึ่ง วิธีที่1ทําสมาธิมาก่อนนะแล้วมาดูมาเจริญสติในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้กายและรู้เวทนานะวิธีที่2ใช้ปัญญานําสมาธิวิธีนี้เหมาะกับคนที่ทําฌานไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้ก็คือคนอย่างพวกเรานี้แหละส่วนใหญ่หน้าตางโง่เฮ้งนะไม่ดูยังไงก็ดูไม่ออกว่าจะทําฌานได้เพราะใจวันวั น, วนมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านนะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาฟุ้งไปเรื่อยๆนะ พอจะมาลงมือปฏิบัติจะทำความสงบก็ามาเพ่งให้จิตนิ่งจิตแข็งจิตนิ่งจิตแข็งไม่ใช่ฌานนะจิตที่เป็นฌานนะจิตมันมีความสุขนะมีความอบอุ่นมีความนุ่มนวลมีความเบิกบานมีความเบานะไม่เพ่งอย่างเงี้ยเพ่งเงี้ยมันไม่ใช่ฌานนะมันฌานบ้านฌานเรือนแล้วดูแข็งแขง็งั้นคนที่ทำฌานไม่ได้ทำยังไงดีชาตินี้ไม่มีวันทำวิปัสสนาจริงหรือ ไม่จริงนะเราสามารถเจริญปัญญานำสมาธิได้เจริญปัญญาก็คือการเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นทีหลังบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่ทําสมาธิก่อนจะเจริญปัญญาจะทํำวิปัสสนาเจริญสติในชีวิตประจําวันให้เกิดมรรคผลนิพพานได้ไหมมีสติตินะไม่ใช่พูดลอยลอยหลวงพ่ออ่านในพระไตรปิฎกเคยเจอ ในสมัยพุทธกาลเองคราวหนึ่งมีพระอรหันต์ห้าร้อยองค์อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็แยกแยะให้คนฟังให้พระฟังเลยว่าในพระอาหารหันต์500องค์เนี่ยมี60องค์ได้วิชาสามพวกได้วิชาสามเนี่ยพวกนี้เล่นสมาธิถ้าไม่เล่นสมาธิไม่ได้วิชาสามมี60องค์มีหกสิบพงค์ได้อภินญาหกพวกได้อภิญญาหกเนี่ยก็คือพวกเล่นสมาธิ อีกหกองค์เนี่ยเป็นอุปโตภาควิมุตตนะ์คือได้ทั้งสมาธิและปัญญาพวกนี้ก็มีสมาธิรวม3ามกลุ่มนี้ร้อยแปจาก500รพวกที่เหลือสามสเท่าไหรสิบสี่เปอรซคือพวกที่เดินแบบสุขวิปัสสกะพวกที่เจริญสติเข้าไปเลยไม่ได้ทําฌานทําให้เป็นคือคนส่วนใหญ่อย่างที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละนะงั้นพวกเราทําได้นะ พวกเราทําได้มาถึงวันนี้สัดส่วนนี้เปลี่ยนไปแล้วสัดส่วนสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านที่ทรงฌานทรงอะไรพวกนี้นะมีตั้งร้อยแปดองค์หรือ 3- ์มาถึงวันนี้คนที่ทําได้มีไม่มากอโอกาสที่เราจะเข้าฌานก่อนแล้วจะมาเจริญสติในชีวิตประจําวันหรือจะเข้าฌานแล้วจเจริญสติอยู่ในฌานโอกาสนี้ยากนะเข้าฌานแล้วจเจริญสติในฌานนี่คือแบบที่สทําสมาธิและปัญญาควบกัน สิ่งที่พวกเราพอจะทําได้คือการเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้แหละดูมันซื่อๆไปกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับการเจริญสติของคนที่ไม่ได้ชาญกรรมฐานที่เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกนะคือคนที่ไม่ได้ชาญมาก่อนนะคือจิตตานุปัสสนาและธรร ม, มานุปัสสนาสองอันนี้ส่วนกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ทําชาญนะเรียกว่าสมถญาณิกนะ คือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนางั้นวิธีง่ายๆเลยนะสำหรับพวกเราชาวเมืองเราลองมาคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองมีสองกลุ่มนะมีการรู้จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาทําไมหลวงพ่อไม่สอนธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาทำยากเป็นของคนที่อินทรีย์แก่กล้าพวกเราอินทรีย์กับร่องกับแพร่งนะขนาดปลาอินทรีย์เท่านั้นงั้นเรายังทําไม่ไหวเรามาหัดดูจิตดูใจไปนะ ดูจิตดูใจก็ไม่ใช่แปลว่าห้ามทําสมาธินะไม่ใช่คนไหนทําได้ก็ทําแต่ว่าต้องทําให้ถูกวิธีไม่ใช่ทําแล้วก็บังคับจิตให้นิ่งๆไปใช้ไม่ได้วิธีเจริญสติในชีวิตประจําวันง่ายๆสําสหรับพวกเราชาวเมืองผู้เกิดมาก็คิดคิดลูกเดียวนะทำมาหากินก็คิดเอาอีกวันๆหนึ่งมีแต่เรื่องต้องคิดเอาไม่มีเวลาทําสมาธิจริงๆวิธีการก็คือการคอยรู้ทันจิตตัวเอง จิตเป็นธรรมชาติที่รั่วรมนะเราอยู่ๆเราไปดูตัวจิตเนี่ยดูไม่ถึงจิตหรอกหัดใหม่ๆเราไม่เห็นจิตจริงเราจะเห็นแต่ว่าเห็นเจตสิก ค, คือธรรมที่ประกอบกับจิตเช่นเราเห็นว่ามันโลภมันโกรธมันหลงขึ้นมานเราเห็นว่าใจเราโกรธขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างนี้นะหัดแรกๆรู้สึกใจเราโกรธใจเราโลภใจเราห ล, ลงค่อยๆฝึกไปค่อยๆหัดค่อยๆสังเกตเราจะเห็นว่า ความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ใจเราใจเป็นคนที่ไปรู้ความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆแยกออกยากไปไหมตรงนี้ยากไปไหมถ้าใครไม่เคยฟังหลวงพ่อพูดก็ยากนิดหน่อยนะถ้าใครเคยฟังแล้วก็ไม่ยากหรอกทุกวันนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วจิตใจตื่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจนี่นับจํานวนไม่ท้วนลวนะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากเลยที่คนตื่นตัวในการปฏิบัติถึงขนาดนี้ แต่ตอนที่เจอนะส่วนใหญ่ก็ทำบุญเข้าไปทำบุญแล้วไม่ก็อย่างมากก็ทำสมาธิอะไรเงี้ยมาวันนี้คนในเมืองเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาเจริญสติในชีวิตประจำวันมากมหมวิธีการน่ไม่ยากอะไรเลยหลวงพ่อเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังไม่ใช่เล่าเพื่อโอ้อวดนะเพราะว่ามีแต่ประสบการณ์ที่โง่งๆทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรน่าอวดเลยมีแต่เรื่องล้มลุกคลุกคลานมาทั้งนั้นเลย หลวงพ่อหัดทำสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบเรียนเบื้องต้นเลยเรียนกับท่านพ่อหลีวัดระโศการามท่านพ่อหลีเป็นพระที่ดีที่สุดอง์หนึ่งนะเป็นพระดีเยี่ยมองหนึ่งเลยแต่เราไปเรียนเนี่ยเราเด็กมากเรียนไม่ได้เท่าไหร่ท่านก็มรณภาพไปเราไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อสิ่งที่เรียนจากท่านเลยได้แค่สมะถะกรรมฐานสมถะนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสอง สิ่งที่ได้คือได้ความสงบเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ได้แล้วก็คิดแต่ว่าวันหนึ่งนะเราทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งนะมันคงพ้นทุกข์ได้หรอกวันหนึ่งนั้นนานแสนนานนะยี่สิบสองปีผ่านไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนได้แต่ว่าสงบวันนี้สงบอีกวันก็ฟุงฟ้งฟุ้งซ่านไปทาสมาธิอีกก็กลับมาสงบอีกมันทาไม่สาเร็จมันไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาจริง จนปี25นะวันที่6กุมภาพ2525ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดุลที่สุรินทร์ก่อนหน้านั้นได้ยินชื่อท่านนะสนใจคําสอนของท่านขึ้นไปกราบท่านไปถึงท่านนะตอนเช้าท่านกําลังฉันข้าวอยู่พรเขาบอกเข้าไปเลยตอนนี้เราก็บอกเดี๋ยวให้หลวงปู่ฉันก่อนความจริงไม่ใช่อะไรหรอกกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวเหมือนที่พวกเรากลัวหลวงพ่อตอนนี้แหละนะ กลัวไม่กล้าเข้าไปนะจ ด, จ, ด จ, จ้องอยู่หน้ากุฏิท่านนะจนท่านฉันข้าวเสร็จนะท่านเห็นเราไม่เข้าไปนะท่านเลยออกมาซะเองมาดูเราชะโงกดูเลยเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินึกว่าท่านจะสอนกรรมฐานให้ท่านไม่สอนนะท่านนั่งหลับตาไปครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงนั่งหลับเราก็นึกโอ้หลวงปู่อายุตั้ง้าหละเก้าห้า้าห หลวงปู่แก่มากแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลับไปแล้วเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราสักทีวะคิดอย่างนี้นะหลับไปนานนะจริงๆไม่ได้หลับนะท่านสอบประวัติเราเพราะท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนประโยคแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อนะคือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไหมการปฏิบัติไม่ยากนะยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติผิดน่ยยาก ประโยคต่อไปท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมเนี่ยท่านพูดมาสองประโยคเลยนะเราก็รื้มมากเลยหลวงปู่พูดกับเราแล้วเข้าใจครับเข้าใจเออเข้าใจแล้วไปทําเอาไปไปทําเอาไหมครูบาอาจารย์ไม่มีนะโอ้โอนั่งก่อนนะนั่งเล่นคุยกันก่อนแล้วย่นเย็นค่อยกลับไม่มีนะไปไปทําเอาเนี่ยหลวงพ่อเลยติดนิสัยนะทุกวันนี้ไล่โยมเก่งที่สุดเลย ไปไปทำเอามันยุ่งอะไรกับ เ, เราภาวนาเอาสิทธินะ์กลับมาบ้านนะมาคอยดูท่านบอกว่าให้อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองแล้วก็คอยมาสังเกตจิตใจของเราทีแรกงงๆก่อนว่าเราจะดูจิตได้ยังไงจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้นี่พวกคิดมากคิดมากยากนานงงไปหมดเลยไม่รู้จะทํำยังไงงงไปแล้วทําอะไรดีไม่รู้จะทํางงทอะไรดีก็หายใจไว้ก่อน ตอนเด็กๆนะฝึกแต่หายใจจวนตวขึ้นมาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงหายใจไปก่อนหายใจพุทธโธไปเรื่อยนะพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตใจสบายจิตใจผ่อนคลายแล้วค่อยมาพิจารณาดูหลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตมันอยู่ที่ไหนนาะจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตคงไม่ไปอยู่บนภูเขาไปอยู่บนต้นไม้อะไรหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้ต่อไปนี้เราจ ะ, จะเจริญสตินะ เราจะค่อยรู้ไม่ให้เกินกายนี้ออกไปเราจะคอยวนเวียนเรียนรู้หยุดที่ไม่ให้เกินกายเนะี่ยเรียนอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยมันต้องเจอใ จ, ใจ เ, เจใจขาสักวันร่างกายมันเหมือนบ้านนะใจเหมือนเจ้าของบ้านเราหาจิตหาใจไม่เจอหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านไหมวันหนึ่งต้องเจอนะ่ะยกเว้นมันมีหลายบ้านแต่ว่าจิตนี่มันมีบ้านเดียวนะมันมีบ้านเดียวเดี๋ยวมันต้องกลับมาที่ร่างกายนี่แน่เราก็คอยมาคอยรู้สึกนะดูซิจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่า ตอนนั้นผมยาวนะไม่ใช่สั้นจุดยู่เหมือนตอนนี้ลองสัมผัสดูจิตมีในในผมมีจิตมันไม่มีผมเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นนะรู้สึกอย่างนี้ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไม่เห็นมีจิตเลยจิตอยู่ในนี้นะแต่หามันไม่เจอเอะจิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูที่ตัววัตถุเนี่ยไม่เจอจิตแน่ละคิดอย่างนี้นะว่าคนอยู่ในร่างกายเนี่ยนะจิตต้องอยู่ในกายแต่ไป หาตามร่างกายทีละส่วนทีละส่วนันีไม่เจอจิตหรือว่าจิตเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะคิดอย่างนี้เราก็ทำใจสบายนะพุโทโธพุโทโธไปใจสบายใจมีความสุขเราดูลงไปที่ความสุขแี่ความสุขก็ไม่ใช่จิตนะพอเราไปดูนความสุขค่อยๆหายไปความสุขไม่ใช่จิตความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตนะอะไรๆก็ไม่ใช่จิตอีกหรือว่าความคิดเป็นจิต ลองคิดดูตั้งใจคิดนะตั้งใจคิดบทสวดมาเลยพุทโธสุสุธโธกรุณามหันโโวตั้งใจคิดเราเห็นความคิดนันเลื้อยขึ้นมาจากความว่างๆความคิดมันฝุดขึ้นมาให้ความคิดไม่ใช่จิตหรอกไปสังเกตเห็นนะไม่ว่าเราจะรู้กายเราจะรู้เวทนาหรือเราไปรู้เรื่องราวที่คิดมันมีคนที่รู้อยู่มีตัวร่วมอยู่ในทุกๆปรากฏการ์ตัวร่วมในทุกปรากฏการ์นั้นคือคนที่ไปรู้อารมณ์นั่นเอง โอจิตคือคนที่รู้อารมณ์นี่เองนี่เข้าใจตรงนี้ขึ้นมาพอเข้าใจตรงนี้แนละ้วเราก็ค่อยสังเกตความรู้สึกของเราค่อยสังเกตเรื่อยๆตอนนั้นรับราชการอยู่เป็นข้าราชการที่ดีนะเงินเดือนก็ขึ้นบ่อยๆอยู่สี่ก็เรื่นเร็วแป๊บเดียวเป็นชั้นพิเศษแล้วนะเลยเบื่อเลยลาออกเลยไม่ไหวแล้วเบือ่อนะปรากฏว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาพอตื่นนอนนะใจเรานึกขึ้นได้โอ้วันนี้วันจันทร์นะ เราเห็นใจที่ขี้เกียจอนะใจที่ขี้เกียจเกิดขึ้นนะพอเรารู้ทันว่าใจขี้เกียจนะความขี้เกียจหายไปเราไปอาบน้ำํำเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวไปหาหลวงปู่มาเดือนกุมภายังไม่หมดหนาวดีอาบน้ําในตุ่มตอนเช้าพอตามองเห็นตุ่มน้ำนะใจสยองขึ้นมาแนละ้วรู้ทันว่าใจสยองนะความสยองหายไปอีกรออะไรเพราะความสยองก็ไม่ใช่จิตนะความสยองเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิต เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองเราเห็นเลยมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปทั้งวันเนี่ยคอยรู้ทันอยู่เองเห็นแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรเลยที่ผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปใจเราทําตัวเหมือนเป็นแค่คนดูใจเราเป็นแค่คนดูนะเราเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปคล้ายๆคนดูฟุตบอลเคยเห็นเขาดูฟุตบอลไหมนั่งบนอัศจรรย์เหมือนพวกเราตอนเนี้ย พวกเราตอนนี้นั่งบนหนาดชะจันใช่ไหมดูหลวงพ่อเพื่อหลวงพ่อไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาให้ดูเราขยับไปขยับมานะเวลาเราดูนะเราดูห่างๆใครส่งจิตมาที่แก้วน้าบ้างมีไหมนี่ใครรู้สึกนะใครหัดดูไม่ยากหรอกง่ายจริงๆเพราะประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อคือการปฏิบัตินั้นไม่ยากเสียงท่านห้าวๆนะการปฏิบัติมันไม่ยาก ถ้าใครดูความรู้สึกของเรานะจะกินข้าวจะกินข้าวเจออาหารอย่างนี้ตามมองเห็นอาหารานี้ใจพอใจอีกวันหนึ่งเดินไปในโรงอาหารในที่ทำงานไปหาข้าวกินเจอแต่ของไม่ชอบใจไม่พอใจรู้สึกแม่ค้านี่นะขาดความคิดริเริ่มเนี่ยว่าเขาส้ อ, อีกนะว่าในใจนะไม่กล้าพูดมากนี่เ่เาตะหลิวเฉาะหน้าเอาเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราแค่นี้เอง วันนี้หัวหน้ากองไม่อยู่โมโเบิกบานจังเลยเห็นใจที่เบิกบานนะวันนี้งานเร่งมากเลยงานเครียดมากเลยจะต้องเสร็จเดี๋ยวนี้จะต้องเสร็จเดี๋ยวนี้นะเราก็รู้สึกเครียดเครียดรู้สึกเครียดนะเครก็รู้ทันอยากให้งานเสร็จเร็วๆตั้งใจจะทํางานแล้วโทรศัพท์เข้ามาบ่อยๆใครเคยเป็นไหมเวลาอยากทํางานแล้วโทรศัพท์มาเรื่อยๆสดชื่นไหมไม่สดชื่นโมโ oh หนะโมโ oh หเรารู้ว่าโมโ oh หนี่แหละเราฝึกอยู่อย่อยางนี้ยฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนะจะไปขึ้นรถเมลนะ์ ออกมาที่ป้ายรถเมย์เห็นคน500ร้อยคนนะเต็มป้ายรถเมย์เลยสดชื่นไหมเพื่อนร่วมทางเยอะนะไม่สดชื่นใช่ไหมเราก็รู้ทันใจที่ไม่สดชื่นนะพอรถเมย์ว่างๆมาดีใจรู้ว่าดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดนะเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหรู้ว่าโมโหนี่ฝึกอย่างนี้เองนะนี่แหละหัดเจริญสติในชีวิตประจําวันนะคอยดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของใจเราฝึก ง, ง่ายๆอย่างนี้นะ ในสุดปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นมามันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวความสุขที่ผ่านมานะมันก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ที่ผ่านมาก็อยู่ชั่วคราวกุศลที่ผ่านมาก็ชั่วคราวอากุศลที่ผ่านมาก็ชั่วคราวทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเป็นความปรุงแต่งของจิตเท่านั้นเองอาศัยการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ย elsh, มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้เราคอยมีสติรู้ทันอยู่ที่จิตนี้เอง ตามมองเห็นเช่นเราเห็นสาวสวยเดินมาใจเกิดราคะเราไม่ต้องไปดูที่สาวสวยแล้วเราก็รู้ทันว่าราคะเกิดขึ้นเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจเราเกิดความกลัวเรารู้ว่าความกลัวเกิดขึ้นแต่ต้องหลบหมาให้ทันนะไม่ใช่แล้วแต่เวนแต่กรรมอันนี้โง่นะเป็นชาวพูดที่โง่อย่างนั้นนะถึงได้ถูกหมากัดต้องมีสติมีปัญญานะว่องไวนะต้องใช้เหตุใช้ผลในการดํารงชีวิตตามมองเห็นรูป รู้ทันจิตของเราเองจิตม ouais. ันจะเปลี่ยนแปลงเห็นอย่างนี้จิตชอบเห็นอย่างนี้จิตไม่ชอบนะเห็นอย่างนี้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเห็นอย่างนี้เกิดปีติเกิดความสุขอย่างเห็นหลวงพ่อไพศาลมาเนี่ยหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไพศาลนั้นรักท่านมานานนับถือเบิกบานดีใจเนี่ยดีใจขึ้นมารู้ว่าดีใจตามมองเห็นรูปนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่จิตนี้ หูได้ยินเสียงความเปลีป่ยนแปลงก็เกิดขึ้นที่จิตเหมือนกันเช่นคนเขาชมได้ยินเสียงชมนะใจมันก็พองขึ้นมาได้ยินเสียงด่านะใจมันก็เต้นเดือดเดือดขึ้นมาให้คอยรู้ที่ใจนะให้คอยรู้ทันใจของเราได้ยินเสียงเพล ง, ง, งเพราะเชีนะหลวงพ่อเป็นคนรุ่นโบราณและคนแก่ฟังเพลงสุนทราภรณ์นะสมัยก่อนแหมเพราะจังเลยมาฟังเพลงของเด็กสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่อง เสียงเหมือนหมากัดกันรู้สึกอย่างนั้นนะอะไรว่าการง้องการแง้งฟังไม่ออกสักคำเลยนะได้ยินแล้วรานนะํราคาญรําคาญรู้ว่ารำคาญเห็นไหมปูได้ยินเสียงนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันลงไปตรงนี้นี่แหละเจริญสติในชีวิตประจำวันจมูกได้กลิ่นละนะฉะนั้นเราอยู่ในบ้านเรานะัได้กลิ่นเน่าๆนะไม่สบายใจรูนะ้สึกสงสัยหนูมาตายในบ้านเราไม่สบายใจต้องเที่ยวเดินหาแล้วมันเน่าอยู่ที่ไหน เห็นไหมความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิตจมูกได้กลิ่นความรู้สึกเกิดที่จิตเกิดไปอยู่ตามวัดกลางคืนดึกๆนะได้กลิ่นเน่าๆโชยมาเนี่ยไม่ใช่สงสัยว่าหนูมาแล้วนะสงสัยอย่างอื่นชักสยองละสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมจมูกได้กลิ่นเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้ความรู้สึกที่ที่จิตใจงเรานี้ลิ้นกระทบรสนะกระทบรสอันนี้พอใจกระทบรสนี้ไม่พอใจเราก็รู้ทันที่จิตกายกระทบสัมผัส นะเช่นมีอะไรนิ่มๆ ม, มาสัมผัสเรานะสมมติเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้สบายมีอะไรนิ่มๆ ม, มาสัมผัสเรานึกว่าสาวมารูปไหล่ปลื้มปลื้มนะหันไปดูอีกทีกลายเป็นงูเลื้อยมาแล้วเนี้ยตรงตรงที่งูมาถูกตัวเราเห็นไหมแหมมันนุ่มนวลนะใจอาจจะชอบก็ได้นะไม่รู้ว่างนะูแต่ถ้ารู้ว่างูนะงูนั้นนุ่มนวลแค่ไหนก็คงไม่เอาเนาะแต่ถ้าเดินๆอยู่โดนก้อนหินดีดใส่เจ็บใช่ไหม เจ็บแล้วรู้สึกยังไงยินดีไหมไม่ยินดีโธสาะจะเกิดพร า, าทุกขเวทนาเกิดนะั้นโธสาก็แทรกเราก็รู้ทันที่จิตเองสิ่งใดมากระทบกายนะจิตเราเปลี่ยนรู้ทันที่จิตเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจคิดใจนึกใจปรุงใจแต่งก็ให้รู้ทันที่จิตอีก เช่นนั่งอยู่ดีๆนะอยู่ๆภาพของคนคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาในใจผุดขึ้นมาโอ้นางคนนี้ศัตรูร้ายของเรานะเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเคยโกงแชร์เรามาพอนึกปุบนะเห็นภาพใจมันนึกภาพคนนี้ออกมานะความเกลียดก็เกิดขึ้นเลยนะรู้ทันความเกลียดเกิดขึ้นแล้วแม้อยู่ดีๆอยู่เฉยๆนะไม่ได้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยทางใจนึกขึ้นมาเองนะความรู้สึกอย่างเปลี่ยนเลยให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในใจนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติใจก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับจิตใจให้คอยรู้ทันกรรมฐานชนิดนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเราเองนะในพระไตรปิฎกเนี่ยเคยพูดถึงพระองค์หนึ่งชื่อพระโปธิระจริงๆท่านไม่ได้ชื่อโปทิระโปทิระแปลว่าใบลานเปล่าท่านคงมีชื่ออย่างอื่นๆนะเช่นชื่อปราโมดชื่อไพาศาลชื่ออะไรอย่างนี้นะ อาจจะมีชื่อโกโก้อะไรเงี้ยแต่ว่าท่านเป็นพระนักปราชญาเรียนปริยัติมากถ้าเป็นระดับพวกเรายุคนี้นะคงจบอภิธรรมจบมหาปัฏฐานจบอะไรกันมาลนะแตกฉานปริยัติเจนจบในพระไตรปิฎกแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติเวลาท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเจะแกล้งท่านจะเรียกท่านให้อายเรียกว่าโปธิละโพธิละแปลว่าใบลานเปล่ามีแต่คมภีรเปล่าๆนะไม่มีตัวอักษร มีแต่หัวใจที่ไรธรรมะนี่ยสัมนวนถ้าให้ถูกต้องคือท่านจะด่าว่ามีแต่ใจที่ไรธรรมะมีแต่ความจำธรรมะนี่พระโพธิละอายนะโดนเรียกหลายๆทีท่านอายท่านเลยลาพระพุทธเจ้าขอไปปฏิบัติกรรมฐานบ้างท่านแตกฉานปริยัติมากนะเรียนเจนจบพระไตรปิฎกแล้วไม่ได้จบจากพระพุทธเจ้าวงเดียวนะจบจากพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้วชาติใดเกิดไปเจอพระพุทธเจ้าแนละ้วก็จะไปเรียนอย่างนี้แหละ แตกฉานมากเลยเป็นอาจารย์สอนตำรับตาําราเชี่ยวชาญมากเลยแต่พอนาไม่เป็นทําไมพอนาไม่เป็นเพราะ่ตํารามันเยอะเกินไปไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนตําลาเยอะแยะใช่ไหมคำพี้อย่างแค่สมถะกรรมฐานมีทั้ง40อย่างเนี่ยจ ะ, จะเจริญสติปัฏฐานมีอารมณ์ตั้งเยอะแยะกายก็มีตั้งเยอะเวทนาก็มีเยอะจิตก็มีเยอะธรรมานุปัสสนาก็มีเยอะแยะเลยไม่รู้จะทําอะไรเยอะแยะไปหมด ไม่รู้จะเริ่มยังไงพระโพธิละนี่ก็ออกไปอยู่ไปตะเวนไปนะหาใครจะสอนกรรมฐานท่านได้คล้ายๆมีคมพีอยู่หนุงหนึ่งตู้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องการตอนนี้คือกุญแจที่จะไขตู้คำพีให้ได้อะไรเป็นคีย์ที่จะไขเข้าไปสู่ธรรมะในใจได้ท่านตะเวนไปถึงที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดป่าก็เข้าไปหาอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์ผมขอมาเรียนกรรมฐานอาจารย์มองหน้าปุ๊บ บอกโอผมไม่มีปัญญาสอนออท่านเหรอกท่านแตกฐานความรู้ท่านเียอะกว่าผมอีกผมไม่รู้เลยนะจิตเจตสิกรูปนิพพานอะไรไม่รู้ชื่อหรอกนะท่านรู้มากกว่าผมผมสอนท่านไม่ได้หรอกมีท่านก็ไม่มีทิฏฐิมานะนะท่านไปหาพระลำดับที่รองลงไปขอเรียนกรรมฐานนะไม่มีองค์ไหนสอนท่านสงเลยจนกระทั่งในที่สุดนะถึงเนนที่เล็กที่สุดในวัดอายุเจ็ดขวบเลยไปบอกเนรช่วยสอนกรรมฐาน ให้หลวงพ่ อ, ห น, อนะหน่อยเถอหลวงพ่ออยากเรียนกรรมฐานเนนบอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อาาย่นะดังมากนะถ้าผมสั่งอะไรแล้วอาจารย์เชื่อนะผมถึงจะยอมเนี่ยหนังจีนเอามาจากพ่งเนี้ยนะก่อนจะรับเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมต้องทดสอบก่อนจงคุกเข่าอยู่นี่แนละ้อย่าลุกขึ้นมานะพอดีอาจารย์ไปเที่ยวแล้วลืมกลับมาเนี่ยตายไปเลยนะแต่เนร น, นี่ไม่ใช่ gan เนรเนรพอบอกถ้าอาจารย์ต้องเชื่อฟังผมนะท่านตาโพธิละบอกว่าผมจะเชื่อท่าน เน้นสั่งเลยถ้าอาจารย์ใส่จีวรแพรสวยงามราคาแพงเนี่ยสวยจังเลยถ้าอาจารย์ลุยลงน้ําไปเลยอย่าถอดจีวร น, นะเอาจีวรลุยลงไปด้วยท่านใจเด็ดนะท่านเชื่อฟังคําสั่งเน้นท่านลุยน้ําจริงๆเลยพอใช้ผ้าแตะน้ำนั่นเนนหมดถ้าอาจารย์หยุดก่อนที่ริมฝั่งน้ำเนี่ยมีจำปลวกอยู่จําปลวกหนึ่งมีรูอยู่หกรูนะมีเชี่ยตัวหนึ่งขอใช้คํำ ภาษาดั้งเดิมนะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรตัวเงินตัวทองเลยฟังแล้วยาวเสียเวลามีเพี้ยตัวหนึ่งอยู่ในจําปลวกเนี่ยนะมีรูเข้าออกได้หรูถ้าถ้าอาจารย์จะจับเพี้ยตัวนี้ให้ได้นะถ้าอาจารย์ปิดรูซะห้ารูนะเหลือไว้รูเดียวเดี๋ยวถ้าอาจารย์ก็จับได้เน้นขยับจะพูดต่อท่านพระโปธิละบอพอแล้วท่านอาจารย์เข้าใจแล้วพวกเราเข้าใจไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจหรูนะ ตากระทบใช่ไหมพอตากระทบรูปมันก็เข้ามาที่ใจใช่ไหมหูกระทบเสียงมันก็เข้ามาที่ใจเน้นสอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ปิดหูปิดตาปิดจมูกเหมือนที่พวกเราปิดตอนนี้นะไม่ได้ให้ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายไม่ใช่แต่คําสอนของเน้นก็คือเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยให้รู้ทันที่ใจหรือเกิดการกระทบอารมณ์ทางใจแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปนั้นท่านได้กุญแจของการปฏิบัติแล้ว ท่านรู้ลงมาที่ใจตัวเองได้เพราะท่านหักมามาตรงนี้นะต่อไปท่านไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านิดเดียวนะท่านได้พระละหันนะแตกฉานมากด้วยเขาเรียนมาเยอะเพนั้นกุญแจสําคัญนะที่พวกเราจะขเข้าไปสู่ธรรมะพวกเราเรียนธรรมะ ก, กันมากมายเหลือเกินถ้าเมื่อไรเราเรียนเข้ามาได้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะรู้ทันถึงจิตถึงใจตัวเองเนะี่ยเราใกล้เคียงกับธรรมะแล้วเพราะอะไรเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเรานะ เนมกุศลเกิดที่จิตใช่ไหมกุศลไม่ได้เกิดที่โต๊ะที่เก้าอี้อากุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนะแต่นิพพานปรากฏขึ้นที่จิตนิพพานไม่ได้เกิดที่จิตนิพพานไม่มีคําว่าเกิดนะกุศลอากุศลนะมรรคผลทั้งหลายทั้งแหล่นี้เกิดขึ้นที่จิตเองถ้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองไดนะ้การปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเคยพูดไปคือหลวงปู่เทศ หลวงพุทธเทศลังสีหลวงพุทธเทศรังสีนีท่านสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าถึงจิตถึงใจตนเองนะจะได้แก่นสารสา ร, สาระของการปฏิบัติถ้าภาวนาแล้วยังเข้ามาไม่ถึงใจตัวเองเนี่ยยังไม่ได้แก่นสารหรอกได้เปลือกเปลือกได้ผิวผิวของมันงั้นอย่างเรานั่งหายใจนะเหมือนที่หลวงพ่อหายใจมาเด็กๆหายใจไปเรื่อยแล้วสงบเนี่ยสงบไปเฉยๆนะเดี๋ยวก็ฟุ้งหิ่งเราไม่รู้ทันใจตัวเองเรียกว่ายังไม่ได้แก่นสารอะไรเลย แต่ถ้าเราหายใจไปแล้วใจเราสงบรู้ว่าใจสงบนี่เราเรียกว่าเรารู้ทันใจตัวเองนะหายใจแล้ววันนี้ไม่สงบเลยวันนี้มีแต่ความฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านในนี้ก็ใช้ได้พวกเราลองดูนะลองดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจเราเบื้องต้นคอยดูความรู้สึกนานาชนิดที่เกิดขึ้นกับใจ ความโลบเกิดขึ้นให้รู้ทันความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันความหลงใจลอยไปฟุ้งซ่านไปซึมๆไม่รู้เหนือรู้ใต้เกิดขึ้นก็รู้ทันนะว่ามีโมหนะลใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้ใจมีความสุขก็รู้นะใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้พวกเราคอยรู้ความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นกับใจการรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่จิตใจเราเนี่ยห้ามไปเพ่งไว้ก่อน ต้องให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดานี่ถึงเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจําวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานี่เองมีตาก็ต้องมองสีมีหูก็ต้องฟังสิพอตามองเห็นปุ๊บความรู้สึกเกิดที่ใจรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกได้เกิดขึ้นที่ใจรู้ทันค่รู้ไปเรื่อยๆงั้นตอนแรกๆเนี่ยเรายังจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายนะไหลามาไหลไป ถึงจุดนเราจะเริ่มสังเกตต่อไปอีกว่าในความเป็นจริงและอารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันประเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดสังเกต ด, ดูใจเรานะใจของพวกเราขณะ น, นี้ลองมองที่หลวงพ่อสิรู้สึกไหมจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมอย่างนี้เรียกว่าเพ่งหลวงพ่อนะ ถ้าไปหลวงพ่อจะกลายเป็นวัตถุมงคลแลถูกเพ่งมากนะถ้าตาตาเรามองเห็นแล้วใจเราไหลไปปุ๊บรู้ทันนะรู้ทันว่าใจไหลไปหูได้ยินเสียงใจก็จะวิ่งไปฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจจะวิ่งไปวิ่งมาได้ให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาด้วยงั้นเวลาเราดูถึงจิตถึงใจเราเราจะเห็นสองอย่างอันหนึ่งเราเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่จิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ อันที่สองที่เราจะเห็นนะคือกริยาอาการของจิตจิตนี้นะเดี๋ยวก็หลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกหลงไปลิ้นหลงไปทางกายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาคอยรู้อยู่สองอย่างนี้เท่านะะั้นเลยยากเกินไปไหมจริงๆไม่ยากเลยนะหลวงพ่อถามง่ายๆเลยใครโกรธเป็นมั้งใครเคยโกรธช่วยยกมือนนิดนึงใครเคยโกรธนะเดี๋ยสํารวจดู อาใครเคยโลภบ้างใครเคยหลงใครเคยดีใจใครเคยเสียใจเอาลงได้ละนะรวงความก็คือไม่ว่าถามอะไรรู้ทั้งนั้นแหละใครไม่รู้จักความโกรธก็บ้องแล้วใช่ไหมใครไม่รู้จักว่าอยากความอยากเป็นยังไงก็ประหลาดละใครไม่รู้จักความใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหมอรไหมใครไม่เคยเหม๋รใครไม่เคยเหม๋อช่วยยกมือหน่อยไม่มีนะใครไม่เคยดีใจใครไม่เคยเสียใจ มีใครไม่ไม่รู้จักว่าอิจฉาเป็นไงไหมใครไม่รู้จักกังวลไหมมีใครไม่รู้จักว่ากลัวเป็นไงหมเนี่ยสารภาพมาแล้วนะว่ารู้จักทุกอย่างเลยที่พูดมาแค่ความรู้สึกในขณะนี้มันเป็นยังไงแค่รู้แค่นี้แหละเช่นในขณะนี้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกส่วนหนึ่งรู้สึกมีความสุขรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดบอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วก็เริ่มรู้สึกเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหม ความกำลังเบิกบานเออเอออยู่นะด้วยความสุขนะก็เริ่มเหิ่วกลับมาจ้องไว้ล้เริ่มมันนิ่งๆแี่ความรู้สึกของเราเปลี่ยนคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงของตัวเองไปเรื่อยมันจะยากอะไรความรู้สึกทั้งหลายนั้นพวกเรารู้จักอยู่แล้วถ้าใครยากนะเชิญไปที่วัดหลวงพ่อเลยมีลูกศิษย์ที่ตัวเล็กๆเนี่ยเยอะเลยอายุไม่เท่าไหร่หรอกมีตั้งแต่8ขวบ9ก้าขวบสิบสิบอะไรพวกนี้พวกนี้เวลาส่งกันบ้านนะ อย่าว่าแต่โยมกลัวเลยพระยังกลัวเลยส่งกันบ้านนะอธิบายสภาวะออกมานะน่าฟังมากเลยงันเห็นของจริงๆนะเด็กมันภาวนาง่ายมันซื่อๆพวกเราก็ภาวนาง่ายนะแต่เราไม่ยอมภาวนาแค่นั้นเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้มันจะยากอะไรนักหนามันไม่ยอมดูเท่านั้นแหละถ้าถ้าดูนะไม่ยากหรอกอยังมีเด็กคนหนึ่งนาะอายุ11ปี วันหนึ่งก็ส่งกันบ้านบอกว่าอาทิตย์นี้หนูปวดตาค่ะปวดตาถามปวดตาแล้วเป็นยังไงหนูเห็นว่าตาก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งความกังวลใจก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนไปรู้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนี่ดูมันส่งกันบ้านน่าฟังขนาดนี้นะเห็นขันกระจายออกไปหมดเลยนะขันแตกออกไปนะเรียกคณะแตกนะคณะแตกแล้วเด็กคนนี้มันจะเห็นสภาวะเกิดดับไปได้วนยะ มันทำวิปัสนาได้เะั้นพวกเราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติยากหลวงปู่ ด, ดูลบอกว่าไม่ยากอะ่ะแล้วหลวงพ่อภาวนามานะหลวงพ่อเขาว่ามันไม่ยากนะเวลาพูดทีไรบอกภาวนาง่ายนะง่ายง่ายเขียนหนังสือออกมาก็บอกการปฏิบัตินั้นง่ายนะครูบาอาจารย์วัดป่ามีองคนะ์ท่านผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยภาวนาดีมากเลยนะั่นคือท่านอาจารย์ทุยวัดป่าด่านวิเวกท่านอาจารย์ทุยนะลูกศิษย์ท่าน มาเรียนที่หลวงพ่อนะเป็นพระแล้วก็เอาหนังสือเอาซีดีของหลวงพ่อไปถวายท่านท่านฟังนะท่านอ่านท่านฟังเสร็จแล้วพอท่านอ่านจบเล่มท่านฟังจบแผ่นแนละท่านก็บอกกับพระเนี้ยบอกว่าหลวงพ่ อ, เ, อเราเนี้ยเห็นด้วยนะกับที่อาจารย์ปราโมวดสอนทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอย่างเดียวมันยากนะั่นยากนะยากท่านว่ายากนะทําไมท่านว่ายากทําไมหลวงพ่อว่าง่ายทําไมธรรมะมันขัดแย้งกัน ที่จริงถูกของท่านเหมือนกันนะก็ถูกของหลวงพ่อเหมือนกันถูกคนละแง่คนละมุมกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะหัวกับก้อยมันยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วเนี่ยนะจะเข้าถึงมรรคนิพพานในชีวิตนี้ยากมากนะที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่บวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเลยใครไปที่วัดหลวงพ่อก็พูดในโลกนี้ไม่มีคนตื่นคือไม่มีคนที่รู้ตัวจริงอะ เราตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจของเราเนี่ยหลับฝันตลอดเวลาสังเกตไหมนั่งอยู่ในห้องเนี่ยใจก็คิดนึกไปเรื่อยๆเห็นไหมใจมันฝันนะเนี่ยเรียกว่าไม่ตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อไร่สติมันรู้ทันนะใจไหลวิคิดแล้วใจไหลฝันไปแล้วสติรู้ทันใจที่ไหลไปปุบ๊บสติรู้ทันปับนะ๊บจิตจะตื่นขึ้นมาเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา เจริญสติอยู่ทั้งวันเนี่ยเห็นกายที่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนนะเนี่ยหัดดูไปด้วยนะวันหนึ่งใจมันตื่นขึ้นมามันจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรากายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนไม่ใช่การคิดเอาด้วยนะเป็นความรู้สึกเป็นการเข้าไปประจักษ์เป็นการเข้าไปเห็นจริงๆแล้วเห็นด้วยจิตนี่ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลย เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหลงไปทางตาเดี๋ยวหลงไปทางหูเดี๋ยวหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไหมจิตก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนี่เรหัดเจริญสติไปนั่นะเราก็รู้ทันรู้ทันจิตไปเห็นไหมมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงถึงจุดหนึ่งนี่ปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกสิ่งเกิดระดับทั้งสิ้นเลยความสุขเกิดระดับความทุกข์เกิดระดับรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะเกิดระดับทั้งสิ้นเลย แต่ก่อนที่เราจะเห็นทุกอย่างเกิดดับได้อย่างนี้นะใจเราต้องตื่นซะ ก, ก่อนจิตที่ตื่นก็คือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นจิตที่ขาดสัมมาสมาธิคือจิตที่ฟุง้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่หลงตามอารมณ์ไปโดยที่เราไม่รู้ทันงั้นอย่างครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์ไทยสารเนี่ยคือหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านสอนธรรมะเฉียบขาดมากเลยนะหลวงพ่อก็นับถือท่านมากเลยหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตชิต ถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะพวกเรารู้เรื่องที่จิตคิดเท่านั้นะแต่เราไม่รู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตกําลังคิดนะจิตจะตื่นในฉับพลันเลยจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่จิตหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วนัเราจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราจิตใจที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วนะไม่ใช่เราจะเห็นไปเรื่อยเห็นไปถึงจุดหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มี ตัวเราไม่มีนะเนี่ยจะมาชนกับที่ท่านอาจารย์ภัยสารพูดไว้ตะกี้นะมันไม่มีเราอะ่ะไม่มีเราใครมันทุกข์อ่ะกายมันทุกข์สิใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์นะไม่มีเราหรอกมันไม่มีจริงๆความเห็นว่ามีเรามันเป็นความวิปลาสความเห็นผิดเป็นการหมายรู้ผิดผิดเป็นการสำคัญผิดผิดเท่านั้นเองเพราะนั้นพวกเราลองหัดนะลองหัดดูมีสติรู้กายรู้ใจไปนะคนไหนดูจิตไม่ชํานาญก็ดูกายได้นะเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนอย่างนี้ก็ใช้ได้นะ ไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายไปแต่เห็นว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นคนรู้คนดูจิตมันแยกออกมาอยู่ต่างหากนะจิตมันแยกกับกายขันมันแยกออกจากกันค่อยๆหัดนะวันวันหนึ่งมันจะแยกออกไปมันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวนไม่ใช่ตัวเรารูปมันไหวเท่านั้นเองนะเห็นรูปเกิดดับวับวเยอะแยะเลยนะเป็นพันพันวับวับไม่มีเรา คนไหนดูกายไม่ถนัดก็ดูจิตไปคนไหนดูจิตไม่ถนัดก็ดูกายไปทั้งกายทั้งจิตสอนธรรมะเรื่องเดียวกันคือเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเลยเพราะฉนั้นต่อไปนี้ให้กันบ้านปกติหลวงพ่อสอนแล้วต้องให้กันบ้านอยากรับไหมใครเรียนแล้วไม่อยากทํานี่นะหลอยถ้วยที่สุดเลยถ้าเรียนทั้งทีนะต้องปฏิบัติให้ได้นะ ถึงจะสมกับที่เราเป็นชาวฟุตเนะบื้องต้นนะทำกรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่งใครเคยทำกรรมฐ า, านอะไรแล้วไม่หลับนะแล้วก็ไม่เครียดนะวันนั้นแหละคนไหนเคยพุโทโธก็พุโทโธไปคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้คนไหนเคยดูท้องของยุบก็ดูคนไหนเคยเดินจงกรมยกเท้าย่่งเท้าก็ไปเดินจงกรมนะเคยทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละเคยรู้อีดิยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ทาอย่างนั้นแหละแต่ปรับนิดหนึ่ง ปรับให้มันมีใจเป็นคนดูนะเวลาหายใจนะเวลาหายใจเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเวลารู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นแค่คนดูค่อยๆฝึกนะให้มันมีใจที่เป็นแค่คนดูขึ้นมาไม่ใช่ใจไหลไปส่วนใจพอไปรู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพวกเราลองทดสอบดูนะช่วยคนไหนหัวแม่มือไม่มี้มงใช้นิ้วอื่นก็ได้นะคนที่มีหัวแม่มือ หัวไม่เท้าไม่ต้องเอาหัวนไม่มือยกหัวไม่มือตัวเองขึ้นมานะแล้วเพ่งใส่หัวไม่มือให้จิตลงไปแนบที่หัวไม่มือเลยเอาทดลองดูนะหัดดูสภาวะตัวนี้ตัวร้ายเลยเนี่ยคนที่เพ่งอ่ะรู้สึกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่หัวไม่มือเวลาเราไปรู้ลมหายใจนะจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่ลมพอละพอะเดี๋ยวหัวไม่มือด้วยนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะอย่างเวลาเราจ้องหัวไม่มือนะจิตเราจะไหลไปอยู่ในหัวไม่มือ เวลาเราดูท้องพองยุบนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูสมมติเราดูพระพุทธรูปจิตเราไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นนี่แหละไม่มีปัญญาหรอกไม่มีทางเลยทำได้ที่มากที่สุดแค่สมถะเพราะฉนั้นถ้าร่างกายเคลื่อนไหวนะค่อยๆสังเกตแต่ร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะ เช่นคนไหนหายใจก็หายใจไปหายใจแล้วเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกดูคนไหนดูท้องฟองยุบนะเห็นร่างกายเป็นพองร่างกายมันยุบดูไปสบายสบายไม่ได้ดูให้จิตนิ่งดูสบายสบายไปเห็นเลยร่างกายที่ฟองที่ยุบเนี่ยของถูกรู้ถูกดูไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะอย่าไปเพ่งใส่เท้าอย่าให้จิตไปเกาะนิ่งนิ่งอยู่ที่เท้าบางคนแย่กว่านั้นอีกทะลุลงไปรูแผ่นดินเย็นร้อนอ่อนแข็งที่แผ่นดินไกลเกินไป เห็นร่างกายนี้เดินไปใจแค่เป็นแค่คนดูเหมือนเห็นคนอื่นเดินเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกของเราขึ้นมาให้เป็นคนดูเท่านั้นไม่ใช่ผู้กระทาไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูค่อยทำตัวเป็นแค่ผู้ดูนะยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนพุทโธไปเห็นใจมันท่องพุทโธท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดพุทโธพุทโธใจฟุ้งซ่านว่าฟุ้งซ่าน พุทโธพุทโธใจสงบหรือว่าใจสงบพุทโธล้วก็รู้ทันใจหายใจไปนะหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันจิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตสุขจิตทุกข์ก็รู้ทันแล้กลับมารู้ทันที่จิตได้ดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตเป็นไงก็คอรู้ทันเราอาศัยอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเอง เพื่อจะคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะไม่ใช่เอาอารมณ์กรรมฐานมาบังคับให้จิตนิ่งๆอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งนะปล่อยให้มันทํางานแล้วตามรู้ตามดูมันไปเล่นๆสบายจะตายง่ายนะง่ายที่สุดเลยพูดเทศไปเทศมานจะตรงลงคำว่าง่ายทุกทีเลยนะเพราะว่ามันไม่ยากไม่ยากหรอก โ, รโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธพวกเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธก็เป็นนะแต่ไม่ยอมรู้ พอเราโกรธใครเราจะไปรู้ไอคนที่ทําให้เราโกรธเราไปดูคนที่ทําให้โกรธแทนที่จะดูว่าใจกําลังโกรธนะเราเกิดความรักขึ้นมาเราเห็นสาวสวยขึ้นมาเราเกิดความรักเรามวดไปดูสาวเราไม่เห็นใจที่กําลังรักไหมง่ายๆเลยง่ายๆนึกถึงคนนี้น่าใจเป็นเกลียดขึ้นมาเราก็เป็นนึกถึงไอคนที่เราเกลียดอีกเราไม่เห็นว่าใจกําลังเกลียดอยู่เรามาคอยรู้ทันนะรู้ทันลงที่ใจถ้ารู้ใจไม่ได้ก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปได้เดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นจิตขึ้นมาได้ ภาวนาสุดท้ายมันมาตัดกันที่จิตนี่เองอวันนี้เทศมาพอสมควรที่นี่มีการถามไหมมีไหมมีกี่คนละ่ะได้สี่ห้าคนแล้วมั้งมีกี่คนเก้าคนเหรอสบายมากอ้พวกเราอยู่ข้างบนเห็นไหมมวดแต่ดูเขาลืมตัวเองแล้วนะเห็นไหมจิตหลงไปดูแล้วลืมตัวเอง อ้าวเชิญเลยหาเก้าหรอหรือเท่าไหร่นี่ทำไมเยอะอ๋อ19เกหรอนึกว่าเก้าแต่ว่าหมูมากเลยกลายเป็นหมูกระดูกแล้วตรวจการบ้านแบบพระปฏิบัติเนี่ยนะเราเรียนกันด้วยใจซื่อๆนะเอาใจมาแลกกันไม่ใช่เรียนแบบโอ้ปาฏิหาริ์จับผิดไม่ใช่อนะใครจิตใจเราเป็นยังไงสารภาพมาอวาไปรอราการจ้าค่ะ ปอดๆ อ, อยเหมือนกันนะคะป ล, ปลอดรู้ว่าปอดใช้ได้แล้วสอบผ่านค่ะอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ากรรมฐานใดที่จะเหมาะกับจริตของของโยมนะ<ช>ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปบ่อยๆน ะ, ะ, ะสิ่งที่เราทํามาแต่เดิมเนี่ยทําสมาธิใจเราสงบใจเรานิ่งเมื่อใจเราสงบใจเรานิ่งเนี่ยเราจะมาดูจิตเนี่ยจิตจะนิ่งๆดูยากเพราะฉนั้นโยมไปเคลื่อนไหวนะไปหางานบ้านทํา ไปกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆกวาดไปกวาดมาชักโมโหแล้วไอ้คนอื่นมันมาทํารกเรากวาดอยู่คนเดียวรู้ว่าโมโหนะเนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจนะอาศัยร่างกายมาช่วยพวกเราทั้งหมดเลยนะถ้าใครที่ติดสมถะทําความสงบมาแล้วใจนิ่งๆมาเนี่ยเบื้องต้นอย่าเพิ่งดูจิตให้มาดูกายก่อนเคลื่อนไหวร่างกายมากๆนะแล้วก็ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวถ้าอยู่ เพ่งมานานเราไปดูจิตนะจิตจะนิ่งๆไม่มีความเปลี่ยนแปลงนิ่งไป <Okay. S 1> คนต่อไปนักสการครับผมผมฟังพระอาจารย์มาหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วครับผมวันนี้อยากส่งกันบ้านครับแล้่ไงไตื่นเต็นตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นก็ใช้ได้แล้วที่ปฏิบัติมานี้มีอะไรที่เป็นมิจฉาต้องทำให้จริงจังนะทำสม่าเสมอนะอย่าทำทหยุด มีวินัยในการปฏิบัติจำเป็นมากเลยนะครับแล้วกรรมฐานสนิดใายหมา ก, กับเราเป็นคนช่างคิดเราก็ดูใจของเราไปแต่ว่าไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวคนที่ว่าดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวส่วนมากไม่มีแรงพ อ, อต้องรู้กายไปด้วยถ้าคุณอยากเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัตินะทุกวันเนี่ยพยายามไปเดินจงกลมไว้วันหนึงสนาทีก็ยังดีตั้งใจไว้ทุกวันต้องเดิน10นาที เดินไปแล้วก็ค่อยเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะ น, นักวัฒนธรรหลวงพ่อครับให้หลวงพ่อตรวจวัดผลการฝึกครับสารภาพมาจิตขณะนี้เป็นยังไงจิตขณะนี้กลัวเขาไม่นิชัยหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่ใช่สารดีกาเนอะไมต้องมากลัวจิตเต้นเตนครับจิตขณะนี้เป็นปกติไหม ไม่ปกติครับไม่ปกติเกิดอะไรขึ้นกับจิตตื่นตัวตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาจิตมันตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไม่ชอบจิตที่ตื่นเต้นใช่ครับเห็น <ly S 2> ไหมใจเราไม่เป็นกลางต่อการรู้สภาวะนะให้รู้ทันตรงที่ใจไม่ชอบนี่ไม่ใช่รู้ที่ตื่นเต้นรู้ผิดตัวนะความตื่นเต้นนั้นเป็นอารมณ์ตัวที่หนึ่งเราเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาแล้วเกิดโทสะใจไม่ชอบความตื่นเต้นโทสะเป็นอารมณ์ปัจจุบันแนละตื่นเต้นเป็นอดีตแล้วเราไปดูอดีตแล้ว ดูลงปัจจุบันตอนนี้ดีขึ้นเลยยังครับ <c oughs> หลวงพ่อพูดไม่ค่อยออก <c oughs> อ่ะต่อไปอย่าไปเพ่งไว้ยังติดเพ่งนมัสการค่ะหลวงรู้สึกไหมไปประคองใจให้นิ่งตอนนี้ดูออกไหมใจมันนิ่งปว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งแข็งๆอยู่ข้างในเนี่ยดูออกเป่า รู้สึกไหมหรือว่าแหมปลอดโปล่งล่งเบามีความ ร, รู้ว่ามันแข็งครับเออในไหลแข็งหนะ้าเกิดจากการเพ่งนะเกิดจากการบังคับตัวเองเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่มันแน่นขึ้นมานะแข็งขึ้นมานะหยุดเลยทําผิดละจิตที่เป็นกุศลนะ่าจะเบานะจิตที่เป็นกุศลจะนุ่มนวล น, นะไม่ใช่แข็งแข็งหนักหนักบางครั้งบางครั้งมันเป็นของมันเองครับเออถ้ามันทําไม่ได้จงใจทำมันก็เป็นเองสิจงใจทําก็ไม่เป็นสิ หมายถึงว่ามันมันเป็นแข็งกอบมันเองครับโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันแข็งนะครเอองั้นรู้ทันไปเห็นไหมจิตมันทํางานได้เองครับต้องดูอย่างนี้นะเอา้าของคุณไปดูไปดูนับาตาไปฮะตอนนี้มันแน่นค่ะใช่ใครเจอหลวงพ่อก็แน่นทั้งนั้นแหล ะ, ะอยากจะถามหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้เดินจงกรมมันจะรู้สึกว่ามีความสุขโชยขึ้นมาตลอดเหรอคะนั่นเพราสติมันเกิด แต่ตอนนี้มันทุกเรื่องงานเยอะแล้วก็มันดูไม่ทันเลยอะค่ะหลวงพ่อแสดงว่าเราย่างซ้อมน้อยไปเวลาสติที่แท้จริงเกิดนะจิตจะมีความสุขนะเฉยขึ้นมาแต่เราไม่ได้พาวนาเพื่อเอาความสุขเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าชีวิตนี้เป็นความทุกข์เพราะฉั้นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเราไม่ได้พาวนาเพื่อจะเอาความสุขนะเราพาวนาใจเราตั้งมั่นเราก็ค่อยดูขึ้นไปมีปัญหาอะไรค่อยไปแก้เอา ไม่ใช่สมมติทํางานนะไม่เข้าเป้าเราก็ดูจิตอย่างเดียวเพราะเขาไล่ออกสิมันไม่อยากทํางานแล้วมันก็เลยนั่นแหละไปรู้ความขี้เกียจไปรู้ใจที่ไม่ยอมทํางานหลวงพ่อคะแล้วจะไปกําลังจะไปอยู่วัดนะคะเจ็ดวันเลยจะขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไม่มีมากกว่านั้นแล้วดูจิตได้แล้วใช่ได้ดูได้ระวังเดียวจิตไม่ตั้งมั่น จิตไม่ถึงที่ไม่ถึงฐานอาจารย่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าสําหรับคนที่เคย ป, ปฏิบัติวิปัสสนามาแล้วสําหรับคอร์สพื้นฐานนะคะประมาณสองถึงสครั้งและต้องการพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นแต่ต้องทํางานซึ่งมีจํานวนวันลาต่อปีที่จํากัดอะคะ่ะจะมีวิจ า, ารณ์สรนแล้วน ะ, จะเจริญสติใน<ฮ>ชีวิตประจําวันไม่เกี่ยวกับวันลาออาหอีววัวอย่างทราบว่าถ้าสมมติว่าจะ ไปปฏิบัติวิปัสนาให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พัฒนาขึ้นจะเลือกจะมีวิธีการเลือกวิปัสนาจารย์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะให้ใหดนะีเรากรรมใครกรรมมันหัดเจริญสติสิหัด <c oughs> เจริญสติ <c oughs> ไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจนเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทาง คนที่จะรู้อะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยจะต้องภาวนาจนผ่านจุดที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสไปก่อนจึงจะรู้นะตอนเนี้ของคุณจะต้องไปหัดดูไปทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเกิดดับดูอย่างนี้อย่าเพ่งให้นิ่งตรงที่จงใจปฏิบัติเพ่งให้นิ่งนะั้นไม่ใช่วิปัสนาตรงที่อยากปฏิบัติแล้วส่งจิตไปกําหนดไว้ไม่ใช่วิปัสนานะโลผ้ามันเกิดนะสติไม่ได้เกิดอ่นะไป ฝึกอยใใกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามปัญหาในการปฏิบัติบางอย่างอย่างเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยแล้วรา่างกายมันเองไปข้างหลังหรือว่าไปข้างหน้าเนี่ยมีคนเคยบอกว่ามันเป็นเพราะสติกับสมาธิมันไม่ทันกันอยากจะเรียนถามปัญหาหลวงพ่อข้อดีค่ะไม่เห็นยากเลยก็นั่งพิงเก้าอี้ซะนั่งพิงเก้าอี้ไม่เห็นยากเลยเพราะว่าเราจเจริญสติเนี่ยนะเราทําในทุกๆอิริยาบถอยู่แล้ว จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ทําได้ไปนั่งแล้วเคลิมเลยสติไม่พอสมาธิมันมากไปล้าหน้าไปสติไม่พอนะลุกขึ้นมาเดินลุมาเคลื่อนไหวไว้อย่าไปนั่งแช่อยู่แช่แล้วก็งกงอกไปไม่ดนะีเพิ่มพลังของสติด้วยการเคลื่อนไหวต่อไปกราบนรรสการหลวงพ่อครับผมได้ไปส่งการบ้างหลวงพ่อเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกบอกว่าจิตตั้งมัน่นแต่ว่ายังรู้อยู่นอ ก, นอก ไม่ทราบว่าตอนนี้มันแย่ลงไปเยอะไหมครับฮะ <Huh? S 2> ไม่ทราบว่าตอนนี้มันแย่ลงไปเยอะไหมไมไ ม, มันจะแย่ลงล่ะก็เพราะว่าที่สอบถามหลวงพ่อเองนี้เพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่ามันมันดีตอนปฏิบัติในรูปแบบแต่พอจเจริญสติในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าไม่เหมือนขี้เกียดรู้เหมือนไม่พอมันเกิดขึ้นเรารู้เราก็ผ่านมันไปไม่สนใจครับงันต้องทําในรูปแบบ บ, บ่อยๆนะมีวินัยในตัวเองจนสติมันอัตโนมัติ ถึงไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้ขึ้นเองต้องฝึกไปให้ได้อย่างนั้นครับที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้แล้วไปฝึกอีกครัขอบพระคุณครับไปต่อไปขอบพระคานพุทธคุหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูที่ที่ปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูจิตไม่ตั้งมั่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลางถูกไหมคะใช้ได้รู้ตรงความเป็นจริงก็ใช้ได้แล้วแล้วอยากให้มันดีไหมนี่แหละไปดูไปนั่นแหละตัวที่ผิดอยู่อะตัวอยากเราเกิดแล้วไม่เห็น กับนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมจเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยใช้วิหารธรรมโดยพุโทโธกับดูลมหายใจครับ<ม>ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความทุกข์ลดลงดีก<ด>ารเผลอนี่จะสั้นลงสั้นลงนี่ผมมีความสงสัยว่าบางครั้งผมเห็นความเผลอพอ เ, เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกว่าความเผลอมันไม่ใช่ผมคิดผมเผลอ สภาวะควาไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะ้ำเป็นแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก็ถูกแล้วไปถูกทางนั่นแหละไปถูกทางแล้วน ะ, วะมันจะเห็นเลยมีแต่สภาวะที่ไม่ใชเ่เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะไม่ใช่เราโกรธแล้วนะเห็นความโลภความโกรธความหลงแต่มันจะเป็นการตามรู้มันจะไม่รู้ลงปัจจุบันนะดูจิตดูใจมันจะเป็นการตามดูอย่างเมื่อกี้โกรธเนี่ยขณะที่โกรธมีสติไม่ได้ขณะที่มีสติมันไม่โกรธ เพะฉนั้นขณะที่โกรธเนี่ยมันจบไปแล้วมันเกิดขณะที่มีสติขึ้นมามันจ ะ, ะระลึกลงไปย้อนไปนิดหนึ่งมันเห็นเลยว่าตัวที่โกรธอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะของคุณติดการนิ่ ง, งอยู่นิดหนึ่งลดตรงนี้ลงนยให้ใจมันเคลื่อนไหวได้อิสระกว่านี้นิดหน่อยครับนั่นคือหลวงพ่อครับเพราะปฏิบัติการที่หลวงพ่อมาตลอดนะครับผมทีนี้มันมีความสงสัยอยู่นะฮะ น, นี้ถามข อ, ขอความรู้นะครับคือเท่าที่ทราบจากฟังฟังจากหลวงพ่อนะครับก็คือว่า จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นิพพานคืออารมณ์อย่างหนึ่งที่จิตรู้เข้าอทีนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะว่านิพพานมีความแปรปวนเพราะว่ามันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งไม่ใช่ใชนิพพานเที่ยงนินพพานเป็นสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของให้ hey, ไปถามอะไรเรื่องนิพพานถามเรื่องกิเลสไว้ไกิเลสอะไรกําลังปรากฏอยู่รู้ทันอย่างนี้วันหนึ่งถึงจะนิพพานนิพพานเนี่ยเราหาตรงๆไม่ได้ ันที่จะเข้าไปประจักษ์นิพพานได้นะคือผู้รู้แจ้งความเป็นจริงของรูปนามของกายของใจเมื่อไรจิตพลากไม่ยึดถือกายยึดถือใจก็เห็นนิพพานน ะ, ะกราบน้มันสการค่ะตอนนี้ใจมันสั่นๆค่ะด้วยความตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีการเข้าไปทําให้ใจมันนิ่งๆเอตรงนั้นที่ผิด<อ><อ>น ะ, ะใจสั่นไม่เป็นไรมันสั่นของมันเองตรงที่ไม่อยากให้สั่นแล้วเข้าไปแทรกแซงอันนี้ผิดคหลวงพ่อคะ พยายามที่จะทําความว่างนะคะแต่ในความว่างนั้นก็ดันมีความคิดเกิดขึ้นมาแต่ก็อย่างไรหน้าอะไรหน้าอะไรเชพยายามจะนั่งสมาธิแล้วเห็นความว่างเอาไปทําไมความว่างแล้วความว่างนั้นก็มีความคิดเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็เห็นต้นของความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ตัดไปแล้วก็ไม่มีการอาการของการปรุงแต่งเกิดขึ้นมานะคะไม่ใช่นิพพานหรอกนะตัวนั้นก็ไม่ใช่สุญญตาด้วยการน้อมใจ เข้าหาความว่างทำสมาธิแล้วน้อมเข้าหาความว่างเนี่ยเป็นการทำสมถะชนิดหนึ่งชื่ออากาสานัญญาตะนะไปเพ่งความว่างถ้าเราไปติดอยู่ในความว่างเราไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราเดินต่อไม่ได้ ล, ละเพราะฉะนั้นไม่เอานะความว่างยังไม่ใช่เวลาต้องมารู้กายรู้ใจรู้ทุกข์ไว้ไม่ใช่ไปรู้ความว่าง การน้มัตสการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกให้ดูกายดูใจไปไม่ต้องพนมมือเอายี้ดีกว่าจ้าครัแล้วไม่ไม่ทราบว่าดูได้ถูกไหมครับก็ดูได้ดีแหละนะไปดูอีกครับแล้วกรรมฐานอะไรที่เหมาะสําหรับผมครับต้องขยันนะขยันเคลื่อนไหวไหมพยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไหมตามน้ำมัตสการครับหลวงพ่อก็คือส่งการบ้านครั้งแรกครับแล้วก็ฝึกตามซีดีหลวงพ่อมาครับ แล้วก็สงสัยที่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้จิตเราตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางต่อการรู้สภาวะต้องค่อยๆสังเกตไปนะจิตที่รู้มันตื่นมันเบิกบานมันเบามันสงบสะอาดสว่างขึ้นมานะถ้าใจเราเครียดยดแข็งๆนะผิดแล้วละ่ะไม่ใช่ตอนนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นครับแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีฝุ้งซานแล้วตอบถูกใช่ได้ดีอำในมัสการครับ พอ ด, ดีเมื่อวานนี้โกรธพี่สาวแล้วก็มีความโกรธอยู่แล้วก็มันตอนแรกมันรู้สึกโกรธแต่พอไ ป, ไปเรื่อยๆความโกรธมันอยู่นอกๆค่ะเห็นไหมมันอยู่นอกๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านก็ยังยงงอยู่ว่าเอ๊ะเออทําไมความโกรธงวนนี้ทําไมมันไม่ไม่โกรธเพราะปกติจะเป็นคนโทสะแรง อ, อย่างเวลาทาํางานเนี่ยค่ะใจมันตื่นขึ้นมานะมันจะเห็นเลยความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เข้าบ้านเราหรอกอย่างเวลาทํางานอย่างเงี้ยเสียงแบบเสียงโทรศัพท์จะจะมาบ่อยมากแล้วแบบ เสียงโดรสับมาปุ๊บจิตมันโกรธมันรู้เลยอะับดูไปงั้นนะถึงวันหนึ่งนะ <c oughs> ความโกรธก็มีอยู่นะแต่เข้ามาไม่ถึงใจหรอกแล้วก็บางทีสั่งงานลูกน้องหรืออะไรเนี้ยตัวตนเรามันเกิดปุ๊บมันจะรู้<ด>ทันทีนใช้ได้ อ, าาอ้าวพานการเลียนทำหลวงพ่อค่ะว่าวิหารแลรมของไปกระดุกระดิกไว้นะดูร่างกายเยอะๆหน่อยแล้วถ้าดูล่างกายอ ย, าอย่างท่านหนูทําอย่าง ก็คืออย่างนี้เหรอคะอย่างกระดูกระดิกงเนี่ยนะต้องรู้สึกนะไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกด้เองใจเราเป็นคนดูมันใช่อย่างนี้ไหมคะหลวงพ่อไม่ใช่ตอนนี้ใจมาอยู่ที่หลวงพ่อใช้ได้แล้วนั่งไปดูไปร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกเป็ดแล้วค่ะอามาตรการหลวงพ่อค่ะตอนนี้เพร่อนแต่หลวงพ่อไม่ได้ยินน่ะแก่แล้วหูตึงตอนนี้ทางานแล้วเกิด มีความทุกในการที่ว่าเราสูงสิงกับคนมากแล้วเราเรารู้ไม่ทันนะคะรู้ไม่ทันแล้วมันก็หลงไปในความคิดจนถึงบ้านอนะไรเงี้ยหลอนานไปหน่อยนนอย่าหลงนานหลงบ่อยๆ อ, อย่าหลงนานคนภาวนาไม่เป็นนะหลงวัละครั้งคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับคนภาวนาเป็นนะหลงวลนร้อยครั้งพันครั้งหลายแว บ, บรู้สึกแวบบรู้สึกอย่างเนี้ยใจวิ่งมาที่หลวงพ่อแล้วดูออกไหมค่ะคอยรู้นะของคุณติดการประคองไว้นิดหน่อยนะ เาที่ฝึกเก่าเนีมันทำสมถะมาเคยทารูปแบบมาขาดรูปแบบไปนานความรู้สึกใจไม่มีแรงด้วยพอมีอะไรกระทบรู้สึกจะหลงแล้วก็รู้ได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคลื่อนไหวไปแล้วหางานบ้านทำไปนะเราเห็นร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปใจเป็นแค่คนดูฝึกนี้บ่อยๆอะต่อไปกราบนมำสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปัจจุบันนี้ใช้วิธีว่าถ้าอารมณ์อะไรมากระทบเนี่ยก็ก็กาหนด วางวางเรื่อยๆแล้วให้จิตมันทรงสภาวะว่างอยู่กับปัจจุบั น, น, น, นไ ป, เ, ปนเรื่อยๆนี่เป็นสมถะนะเป็นสมถะใช่หน้าที่เราไม่ใช่สภาวะอะไรมาแล้วก็วางเช่นความโกรธมาแล้วก็วางไม่ใช่เราทําเกินที่พระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าบอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะถ้าไม่ได้สอนต่อนะภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รีบวางเสียเราทําเกินไป อันนี้คือตัวรู้ยังไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราไปแทรกแสงแล้วเสร็จแล้วใจเราก็จะโล่งลงว่างๆหลวงพ่อทำหน้าให้ดูว่างว่างว่างนึกออกไหมใจไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะวิธีแก้อย่าไปทำมันหลักของการรู้สภาวะเน้นนะมันรู้ถูกต้องในสามการสามกาละก่อนรู้เนี่ยอย่าอยากรู้ <c oughs> สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอานะ ระหว่างรู้เนี่ยอย่าถลําลงไปรู้รู้อยู่ห่างๆนะสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ห่างๆถ้ารู้แล้วไม่แทรกแสงของโยมไปผิดข้อสุดท้ายรู้แล้วแทรกแสงรู้แล้วหาทางวางการละการวางเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเรานะถ้าปัญญาเกิดนะัมันเห็นความจริงเลยว่าสภาวะทั้งหลายนี่เป็นตัวทุกขนะ์จิตมันวางเองมันจะเข้าไปสู่ความว่างอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ว่างๆแบบที่เราเป็น ว่างๆตัวนี้เรียกว่าช่องว่าง<อ>คืออากาสานัญญาตนะไม่ใช่มหาสุญญตาตัวนี้ไม่ได้นะอย่าติดในว่างๆพยายามออกมากระทบอารมณ์อยู่กับโลกให้เยอะๆไว้แล้วโมโหได้ไว้เดี๋ยวจะได้หลุดออกมาจากไอ้ว่างๆนี้ตอนเนี้งงทราบไหมงงใช่งงรู้ว่างงไงในถูกหลอกข้อนี้เดียวก็งงล้รู้ลงปัจจุบันเนี่ยจิตงงรว่างงรู้อย่างนี้เลยนะ ไม่ใช่ไปหาทางวางว่าจะวางงงได้ไงอีกนะไม่เอานะรู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วไม่แทรกแสงนะต่อไปารรการรัศการครับ อ, อาจารย์ตอนนี้ตื่นเต้นนะคะพูดดังๆเลยเธอหลวงพ่อแกวะ่ะโอ้ไม่ตึงแล้วเอ้าตอนนี้ตื่นเต้นนะคะก็ออไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าและควรจะปฏิบัติแบบไหนคะต้องทําในรูปแบบบ้างนะขยันหน่อยใจไม่มีแรงใจฟุ้งซ่านไป ทุกวันตั้งสัจจะกับตัวเองเลยทุกวันจะต้องปฏิบัติในรูปแบบต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยเดินจงกรมวันหนึ่งสินาทีอย่างน้อย <c oughs> มากกว่านั้นถือว่ากําไร <c oughs> เดินจงกรมก็ไม่ใช่เดินทรมานตัวเองแต่เดินคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นร่างกายเดินเห็นจิตใจทํางานดูออ้ว่มไ้มใจไหลไปไหนครับ <c oughs> เ อ, อรู้แล้วใช้ได้ <c oughs> ไม่ยากหรอกเห็นไหมหมดยัง หมดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาขออนุญาตหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะขออนุญาตอิสรกท่านค่ะตอนนี้หนูปฏิบัตินี่เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะหนูจะเป็นอะไรหนูก็ไม่มีหนูไปหัดดูคอยรู้สึกที่กายที่ใจนะใจไม่ตั้งมั่นใจมีโมหะดูออกไหมมัวไม่ชัดใจดิ้นหลุกปลีกหลุกปลีกฟุงส่านดูออกไหมหลวงพ่อไม่ได้ตําหนินะหลวงพ่อสอนให้หัดดูสภาวะ ถ้าเราดูสภาวะเป็นเนี่ยเราถึงจะทำวิปัสนาได้ถ้าเราดูสภาวะไม่เป็นทำวิปัสนาไม่ได้หรอกเพราะว่าไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่ตัวสภาวะใจไปคิดทราบไหมทราบคนะ่ะทราบบ่อยๆอย่างเนี้ยใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ ไ, ไปรรไฝึกตรงนี้นะอ่าหมดแล้วหมดแล้ ว, ลวเราไปได้แล้วยังเราพระบ้านนอกนะมาถึงพอท่านจันทร์ไทยสารเทศจบหลวงพ่อจะขึ้นมาเทศแล้ว จบแล้วเราไปได้ยังจบยังครับขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อนะครับในความเมตตาและขอเชิญท่านทูตที่สรงอารมณ์ลงจากเวทีก่อนนะครับผมแล้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับถวายนำกล่าวคำถวายนะครับผมข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายารรมพร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่หลวงพ่อปราโมทปราโม ท, โ, มทโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุ ข, แ, สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครั ว, รวตราบสินนนบส้นกาลนานเทินสาธุแล้วไงอีก เรียบร้อยนะครับผมหลว<ะ>งพ่อให้พรอ๋อให้พรนะเพราะไม่ใช่เลยเมื่อกี้เห็นหลวงพ่อไผ่สารนะมีโฆัศกบอกว่าให้พรได้ละหลวง <c oughs> พ่อก็กลัวเชยเราพาบ้านนอกอะไม่รู้วิธีการของเขา <c oughs> ยะถาวะริวหาปุราภ ร, ริปุเรนตีสากรางเอวเมวายตัวดินนางเปตานางอุปกระ ป, ะ ป, ะปะติอิชิตังพฏิตังทุมหังคิประเมวาสมิชโต สัเพเทปูเรนตูสังกปาจันโตปนรโสยถ า, ามณิโชติรโสยถ า, าสัพีติโยวิวัตชนตูสัพรโรคโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังมุธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขขังพระลังหลวงพ่อก็อนุโมทนากับพวกเราด้วยนะ มาฟังธรรมะหาได้ยากนะคนที่สนใจธรรมะหายากกว่านี้คือคนที่ลงมือปฏิบัติอนุโมทนากับคนจัดเลยนะจัดเก่งจริงๆเลยไม่เคยเจอใครเขาจัดงานคนเยอะเท่านี้เลย